วันนี้เป็นวันพระขึ้นแปดค่ำเดือน11ออีกเจดวันข้างหน้าเป็นวันออกพรรษาวันออกพรรษาคือวันปวารณาของพระสงฆ์สำหรับศรัทธาญาติโยมผู้ที่ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานอันไหนเอาไว้ก่อนเข้าพรรษาวันในพรรษานี้ข้าพเจ้าจะทำอะไรอันนี้ก็คงจะมีนะ ที่พวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งด้วยกันในวันนี้และก็วันนี้รู้สึกว่าเป็นวันพระด้วยเป็นวันอาทิตย์ด้วยศรัทธาญาติยมเต็มศาลาเลยวันนี้รู้สึกว่ามากถ้าจะว่ากว่าทุกครั้งคงจะเกี่ยวกับฝนตกหนักอีกต่างหากมัง้งน้าห้วยลางของหลวงพ่อก็ไม่เคยลากหลายเหมือนวันนี้วันนี้เป็นว่ามากที่สุด ในบรรดาปีนี้ว่างั้นแต่วันพระของหลวงพ่อก็ถ้าเป็นวันพระธรรมดาแปดค่ำส15าค่ำก็วันนี้รู้สึกว่าศรัทธาญาติโยมมามากแต่ถึงอย่างไรหลวงพ่อก็จะกล่าวเตือนย้ำให้แกคณะศรัทธาญาติโยมทุกทุกท่านที่ได้ตั้งสัจจะอธิษฐานก่อนเข้าพรรษาที่หลวงพ่อได้ย้ำแล้วย้าอีกว่าอย่าให้ขาดตกปกพ้องในเมื่อ ออกพรรษาแล้วทีนี้พอออกพรรษาแล้วนะเราก็ได้คณะสัตยาญาติโยมที่ตั้งสัจจะไม่ขาดตกบกพร่องนะก็มากราบพระประธานขอพรทีนี้ขอพรจากพระประธานพระพุทธอุดมมงคลพระพุทธปฏิมากรที่สลาพวกเราเนี่ยผู้ค้าได้ตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะสมาทานศินห้ารักษาศินอุโบสถไหวพระไม่เคยขาด ในพรรษานี้ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บําเพ็ญมาด้วยดีแล้วนี้ขออย่าให้มีอุปสรรคนานับประ ก, การทุกสิ่งทุกอย่างขอให้เป็นไปได้วยความราบรื่นเรียบร้อยอย่าให้มีอันไหนที่เป็นอุปสรรคด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บําเพ็ญในครั้งนี้อันนี้เมื่อเราทําดีซะก่อนเราจึงขอพรเมื่อเราทํา ให้ทานรักษาสินซะก่อนเราจึงขอพอรจึงจะถูกต้องนะแต่ปกปรับมามีแต่ขอพอรอย่างเดียวทำอะไรก็ไม่ได้ทำพรจะไม่สมบูรณ์เหมือนกนแต่มิตรรับพอรอย่างเดียวแต่ับันนี้พวกเราได้ทำคุณงามความดีตลอดทั้งพรรษาเพราะว่าพวกเราฝ่าฝืนความรู้สึกของพวกเรามาตลอดทั้งพรรษาจนสำเร็จรู้ร่วงมาได้อันนี้แหละ ถ้าเป็นพุท ธ, ธานุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพท่านก็คงจะให้พรแก่พวกเราพรของพวกเราก็คงจะสําเร็จสมความมุ่ง ม, มา่นปรารถนาถ้าหากว่าไม่ไม่ชิดกําไรเกินควรว่างั้นนจะถ้ า, าว่ามาสมควรแล้วก็พร น, นั้นก็คงจะประสิทธิ์ประสานให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้รับบุญกุศลได้รับคุณงามความดีอยาก บุญกุศลที่พวกเราได้กระทาในพรรษานี้นะและถึงยังไงก็ตามถึงจะออกพรรษาแล้วหลวงพ่อก็เตือนล่วงหน้าไว้อีกเหมือนกันออกพรรษาแล้วพวกเราก็จะไปปล่อยปะาละเลยจนเกินไปก็ไม่ถูกอีกเหมือนกันแต่ถึงยังไงก็ให้เป็นบางครั้งบางการเหมือนกับเราทานอาหารอย่างนั้นน่ะถ้าเราเรในพรรษาเราทานอาหารพอออกพรรษาเราอดอาหารเป็นยังไง เราไปทานอาหารไปยังไงเมื่อกลัลักษณะอย่างนั้นอ่ะพอในพรรษาเราทําเต็มที่เมื่อออกพรรษาก็อย่าให้ขาดตกบกพร่องจนเกินไปเพราะเราเป็นพุทธมามะกะพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าควรจะทําให้สม่ําเสมอนะคุณงามความดีถ้าว่าเราทําอะไรขาดตกบกพร่องหลุ ด, ลดขา ด, ข ด, ขดบางคนพอในพรรษาอดเล้า อดบุรีแต่พอออกพรรษาแล้วกับเบิกถอยหลังอีกว่างั้นเถอะเพิ่มดีกรีเขาอีกอันนั้นไม่ถูกต้องนะหลวงพ่อว่านะเพราะฉนั้นอย่าได้ทําอย่างนั้นเมื่อออกพรรษาแล้วเออเอาถ้าอดได้ก็ค่อยๆผ่อนๆผ่อนๆไปเพราะอายุของเราก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆเราไม่ใช่ลูกเล็กเด็กแดงอีกแล้วถ้าเป็นลูกเล็กเด็กแดงก็อย่างที่ว่านะั่นอะมันก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยอีกเหมือนกัน เราจะเป็นผู้รู้บรรลุนิติภาวะรู้เดียงสาภาวะรู้จักดีรู้จกัจกชั่วขึ้นไปเรื่อยๆอยู่แล้วเราจะไปกลับหันหลังกลับไปสู่ความหายยนะนาอันนั้นคือในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วไม่ถูกต้องเพรางงั้นดังนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะพุทธศาสนิกชนศรัทธาญาติโยมแล้วก็เมื่อออกพรรษาวันออกพรรษากับเป็นวันสาคัญของพระสงฆ์ พระสงฆ์จะได้ปวารณากันคำว่าปวารณาออกพรรษานี่ก็คือให้บอกกล่าวกันได้เพราะงั้นแต่เพราะว่าคนเราเนี่ยมันมีทิฏฐิมานะนะไม่ว่าพระสงฆ์ไม่ว่ า, า, าศรัทธาญาติโยมไม่ว่าใครๆละเรื่องทิฏฐิมานะไม่ยอมใครเนี่ยในครั้งพุทธกาลก็มีเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติวินัยว่าเมื่อออกพรรษาแล้วให้พวกท่านทั้งหลายปวารณากัน สรงคำอวุโสปวารีมิตรเทนาวาจุเตนาวาปรีสั่งกา ย, ยว่านะ่ยพวกท่านทั้งหลายเห็นการกระทําของผมด้วยกายด้วยวาจาหรือลังเกียดทางจิตใจว่าผมเป็นมิจฉาชิติก็ขอให้พวกท่านทั้งหลายว่ากล่าวตักเตือนบอกผมได้ไม่ให้หนักใจใเฉยๆเพยให้บอกผมได้ลักษณะอย่างนั้นอ่ะอันนี้คือคําปวารณาหลวงพ่อเคยพูดมาทุกปีว่าคณะศรัทธาญาติโยม ประวรนาต่อกันก็ได้เหมือนกันถ้าวัาเราอยู่ในครอบครัวพ่อแม่ลูกหลานอยู่ในตระ ก, กูลของเราครอบครัวของเราปู่ย่าตายายกขบอกเออลูกหลานเอ้ยทางว่าปู่ย่าตายายทำจงไหนที่มันไม่ถูกนักกหนักใจลูกหลานก็ให้ลูกหลานบอกปู่ย่าตายายได้เด้อปู่ย่าตายายก็จะได้ตรวจตราเราสํารวมระวังต่อไปพวกลูกหลาน เ, าเหมือนกันเออ พ่อแม่ปู่ย่าตายายท้าว่าผมไปกระทําสิ่งไหนที่มันไม่ถูกต้องก็ขอให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายว่าก่าวตักเตือนผมได้เนะทั้งลูกหญิงลูกชายนะประเณาต่อกันอย่างนี้หลวงพ่อว่าเป็นผลดีเหมือนกันนะอันนี้คือทำความสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านประเวณาในครั้งนู้นถ้าเรามาประยุกต์ใช้ในครอบครัวของเราหลวงพ่อก็จะเกิดประโยชน์อย่างมากเพราะว่าเป็นการอ่อนน้อมถ่อมตน เป็นการลดทิฐิมานะในตัวของเราลงอย่างมากเลยไม่ใช่ลดให้แก่ใครเห่างนั้นแะให้แก่หมู่พวกเพื่อนที่อยู่ด้วยกันแต่บางครั้งพวกเราอาจจะมองไม่เห็นสิ่งที่มองไม่เห็นมันใกล้เราเกินไปจนเรามองไม่เห็นเหมือนกับผงถุ่ลีมันเข้าตาของเราอย่างนั้นน่ะมันเข้าตาของเราทําไมมองไม่เหน็นอยู่ใกล้ตาขนาดนั้น่ะเพราะมันมองไม่เห็นมันใกล้เกินไปเย่างนั้น่ะเพดัะนั้นความชั่วเสียหายบางสิง่งบางอย่างถ้าว่า มันอยู่ใกล้เราเกินไปเราอาจจะมองไม่เห็นแต่มันทําเป็นการกระทบกระเทือนคนอื่นเขาที่เขาเห็นนะที่อยู่ใกล้เราถ้าเราประวรณินาชั้นเนี่ยผู้อยู่ใกล้เราเร า, เาก็บอกกล่าวเราแนะนําเราท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์ทำตรงนั้นตัวนี้ดูดูแล้วมันจะไงอยู่พุทธนาจารย์เราก็เออใช่เราอาจจะขาดตกบกพร่องไปในจุดนั้นอย่างเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยจะต้องได้ปรับปรุงอีกเหมือนกันเพราะว่า เป็นการบอกกล่าวแต่ว่าท่านบอกในพระวินัยท่านบอกว่าวินัยเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าการตักเตือนผู้ใหญ่ต้องตักเตือนด้วยความเคารพอ่อนน้อมจะไปพูดโผงผางเหมือนผู้ใหญ่ตักเตือนผู้น้อยไม่ได้ปราบอบัิทุกกดอันนี้เหมือนกันน่ะเราตักเตือนพ่อแม่ของเราก็ยกมือไหว้ซะก่อนแล้วกันยังค่อยบอกกล่าวพ่อแม่ก็จะได้สานึกได้หรือเราเกินไปแล้วเว้ย โมโหโทโสโกโทายลูกให้หลานเกินไปละต่อ น, นี้ไปเราจะไม่ทําอย่างนั้นอีกละอย่างนี้แนะ่ละแต่วันต่อมาก็จะได้ํารวมระวังตระกูลของเราครอบครัวของเราญาติพี่น้องลูกหลานของเราก็จะสงบพรมเย็นเป็นสุกท่วนหน้ากันถ้าทุกคนลดบทบาทหรือทิฏฐิมานะคือความเห็นความเห็นคานี้คือมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดนั่นนะแต่ตามยิ่งตัวเองเห็นถูก แต่โดยมากมันเข้าข้างตัวเองกิเลสนะกิเลสมันโดยมากมันเข้าข้างตนเองเพราะฉะนั้นหลักของพุทธศาสนาท่านสอนให้พวกเราเป็นกลางๆไม่ให้เข้าข้างตัวเองให้เป็นธรรมสรุปแล้วให้อยู่ด้วยกันโดยธรรมนี่แหละหลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกกล่าวให้แก่พวกเราได้ฟังได้ศึกษานี่มีหลายแนวทางมีหลายแนวทางมีทานมีศีลมีภาวนา มีการพร้อมเพียงสามัคคีการอยู่ด้วยกันเพราะมนุษย์เนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเป็นสัตว์หมู่สัตว์พวกนั่นแหละคล้ายๆบอกอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นกลุ่มแต่พอในน้อยอยู่ด้วยกันนน้อยคนก็พร้อมเพียงสามัคคีกันแต่พออยู่มากๆขึ้นมาแลยก็ทะเลาะแบ่งพักแบ่งพวกแบ่งกลุ่มแบ่งคณะกันอะไรทิ้เพราะมันอยู่ด้วยกันหลายคนแต่ถ้ามันจริงพอมันน้อยคนก็รักกันอีก อันนี้คือเป็นสรรชาตยานของมนุษย์ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วว่างั้นะพราะฉนั้นให้พวกเรารู้นะถึงจะอยู่มากอยู่น้อยก็ให้อยู่โดยโดยธรรมนะให้อยู่โดยธรรมเอาธรรมเป็นเครื่องปกครองถ้าพวกคนมีธรรมใจเขาใจเราเราไปทําให้แก่เขาเขาก็เสียใจถ้าเขามักทาให้แก่เราเราก็เสียใจนี่แหละเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขา ถ้าทุกคนทำอย่างนั้นได้น่โลกทั้งโลกจะร่มเย็นเป็นสุขตรกูลไหนก็ตามครอบครัวไหนก็ตามถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นเป็นสุขด้วยกันทั้งนั้นเพราะการอยู่ด้วยกันนี่อันนี้คือความพร้อมเพียงของคณะความพร้อมเพียงของสงฆ์ความพร้อมเพียงของครอบครัวความพร้อมเพียงของประเทศชาติบ้านเมืองความพร้อมเพียงของโลกถ้าว่ามีความพร้อมเพียงสมัคคีกัน ในยุคนั้นโลกยุคนั้นประเทศนั้นชนในจังหวัดนั้นตำบลอำเภอจนครอบครัวของเราจนตัวของเราเองอีกต่างหากนะจนออกมาตัวของเราในตัวของเราก็มีผมขนเล็ดเว็บฟันหนังอาการสามสิบสองอยู่ในร่างกายนี่มีตับมีหัวใจมีลำไส้อะไรลักษณะอย่างเงี้ยในอยู่ในร่างกายของเราเนี่พระพุทธเจ้าท่านว่าอาการสามสิบสองอยู่ในร่างกายครับของเรา เหมือนกับมีคนอยู่สามสิบสองคนเหมืนนอนนแะอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยแต่ว่าคนใดคนหนึ่งอาการใดอาการหนึ่งแสดงอากับกิริยามันแตกสมคีอย่างตาของเราปวดเนี่ยปวดตาอย่างนี้เป็นเาตาแตกสมคีแล้วร่างกายทั้งร่างก็หาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้เพราะตาแตกสมคีเหงือนกัน อ, อย่างเท้าของเราปวดอย่างนี้ก็บอกว่าเท้าแตกสมคี เราก็หาความสุขไม่ได้อย่างเล็บถูกทุบอย่างเนี้ยเล็บช้าอย่างนี้เราก็ทุกอีกเพราะมันเจ็บนี่แหละเล็บแตกสมัครีเพราะนั้นร่างกายของเรานี่ถ้าส่วนใดก็ตามแตกสมัครีในร่างกายของเราปั่นป่วนไปหมดเหมือนกันเพราะนั้นความพร้อมเพียงความสมัครีนี่บ่อกเกิดแห่งความสุขเป็นว่างั้นนะเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านเนอย่าไปคิดคาว่าแตกสมคีเนี่ย ให้รู้จักใจเขาใจเรามองกันในแง่ดีเอาไว้อย่าไปมองกันในแง่ร้ายถ้ามองกันในแง่ร้ายไม่มีที่สิ้นสุดนะพวกเรานั่งคิดดูก็ได้นะที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยเป็นนั่งภาวนาคิดกลางคืนนี่ก็ได้นั่งคิตให้สงบเสร็จแล้วก็การมองกันในแง่ร้ายเนี่ยมันมองอย่างไงเนี่ยคือมองหาความผิดของคนอื่นนะ่ะขการมองกันในแง่ร้ายมันก็ต้องมีว่างั้นอะ ไม่มีได้อย่างไงคนคนเดียวคนคนนั้นไม่ใช่พระพุทธรูปขนาดพระพุทธรูปพวกเรายังตําหนิได้ว่าตาใหญ่ตาเล็กแขนสั้นแขนยาวหัวเขา่าห น, น้าจะเป็นอย่างนั้นหน้าจะเป็นอย่างนี้ขนาดพระพุทธรูปเราก็ยังตําหนิได้คนทั้งคนจะไม่มีความบกพ่องเป็นไปได้เหรอเป็นไปไม่ได้อันนั้นคือกันท่านว่ามันเป็นพ่ออย่างนั้นเอา้าไม่เป็นไรอยู่วน ถ้าจะให้มันเกินไปเท่านั้นละ่ะให้อภัยกันได้ถ้ามองกันในแง่ดีจะจะเป็นในลักษณะอย่างนั้นถ้ามองกันในแง่ร้ายแล้วก็อย่างว่านั้นแหะผิดนิดผิดน้อยก็อะไรล่ะไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักยัง้งทะเลาะวิวาทกันอยู่อย่างนั้น่ะคุยเขียขุดค้นกันอยู่อย่างนั้นบ้านเมืองประเทศชาติบ้านเมืองครอบครัวของเราตระกูลของเราพี่น้องของเราจะหาความสงบสุขไม่ได้ถ้าว่าทุกคนมองกันในแง่ร้าย แต่ถ้ามองกันในแง่ดีแล้วมองกันในแง่เหตุแง่ผลแล้วคนนั้นผิดบ้างคนนี้ถูกบ้างบางทีเราก็ผิดบ้างบางทีเราก็เกินไปบ้างบางทีเราก็ทำไม่ถูกบ้างคำพูดของเราบางทีก็เกินไปบ้างทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนบ้างไม่สบายใจบ้างทั้งของเขาของเราอย่างนี้ถ้าว่าทุกคนให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วหลวงพ่อว่านั่นแหละความผาสุกก็จะเกิดขึ้นใน กลุ่มของชุมชนของพวกเราในตระกูลของพวกเราในครอบครัวของพวกเราแต่ถ้ามามองกันในแง่ร้าย้วหาที่สุดไม่ได้นะมีแต่ทะเละาะวิวาทกันตลอดวันนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะคณะสทถทาบันเยาวชนทุกคนเนอะแต่ยึงยังไงก็ตามชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนพูดอย่างนั้นได้ชีวิตนี้เป็นของไม่เทียทนนเเท่ยงแท้แน่นอนไม่รู้จะวันไหนละ่ะพวกเราจะจากกันไป เมื่อวานนะกัพี่น้องนาขับน้อยกับไปคนหนึ่งลเลยหายเงียบไปแล้วไม่รู้ไปไหนแต่พวกเราก็สนุกสนานกันเพลินกันไปอีกไม่รู้อีกสักวันนึงก็คนหนึ่งไปคนหนึ่งไปนหาย ไ, ไปทีละคนสองคนคนสองคนผลที่สุดก็เลยหมดไปทีละน้อยละน้อยทุกคนหมดเหมือนกันเถิแต่สรุปแล้วคือทุกคนจะต้องหนีจากโลกนี้ไม่ได้อยู่นมนานหรอก เพราะนั้นใครจะไปโกรธไปเครียดไปโมโหโทโซโกธาอะไรให้แก่กันมากจนเกินไปหลวงพ่อว่าจัดว่าเป็นโง่ประเภทหนึ่งอีกเหมือนกันนะถ้าจัดตามธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่นนานว่าเป็นคนโง่อีกประเภทหนึ่งเหมือนกันเถะคือลุ่มหลงในกิเลสราคะโทสะโมหะเหมือนกันแต่ตามไม่จริงเราจะไปโกรธอะไรให้เขาอะไรมากมายนะักหนาต่างคนก็ต่างมาต่างคนก็ต่างไป ไม่รู้ว่าเขาจะไปก่อนเราเราจะไปก่อนเขาก็ไม่รู้ไม่ใช่จะอยู่นานเท่าไหร่เราอยู่มาในโลกนี้แต่สิ่งที่ควรใส่ใจที่สุดก็คือคุณงามความดีเราอยู่ในสถานะไหนเมื่อลงพ่อเป็นอยู่ในสถานะของหลวงพ่ออย่างเนี้ยหลวงพ่อก็พยายามทำดีที่สุดพยายามแนะนำสั่งสอนพยายามประกอบคุณงามความดีพยายามช่วยเหลือชุมชนสังคมจึงหนที่จะเป็นประโยชน์ ประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมหรือความไม่ประมาทอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านเตือนเอาไว้อันนี้นะอยู่ในสถานะไหนพวกเราอยู่ในสถานะไหนสถานะไหนเป็นพออโรงเรียนหรือเป็นครูโรงเรียนเป็นเท่าแก่เป็นอาเซียทำงานอยู่ในสถานะไหนให้พยายามทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดให้เป็นผู้มีคุณภาพให้เป็นผู้มีคุณธรรมให้เป็นผู้มีศีลธรรม อยู่ในจิตในใจนั่นแหละเราจะได้สบายอกสบายใจถ้าเราจากโลกนี้ไปไปได้วยความผาสุขว่างั้นเถอะไม่เดือดไม่ร้อนเพราะเหตไรเพราะทุกคนก็จะต้องไปด้วยกันอยู่แล้วเกิดแก่เจ็บตายไม่มีใครที่จะพ้นไปได้แต่แต่าบางคนก็อย่างว่าถ้าว่าโมโหโกรธโถให้แก่ใครแล้วก็เหมือนตัวเองจะตายไม่เป็นอย่างนั้นเน่ยเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนานี่ สอนให้พวกเราสานึกนะให้มองตัวเองมองตัวเองข้ามาอย่างไงข้าจะไปอย่างนั้นแต่พวกเราพูดพูดกันอย่างเนี้ยที่หลวงพ่อพูดเนี่ยเหมือนกับหลวงพ่อเอาความตายมาขู่กันแต่ไม่จริงไม่ใช่นะเราจะไปคิดอย่างนั้นเราจะไปคิดว่าเอาความตายมาขู่กันมันเป็นอย่างนั้นจริงๆรหรานันถ้าเราโกรธมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรถ้าเรารักเกินไปก็ไม่ได้อะไรแต่เราอยู่ในสถานะไหน ให้ทาดีที่สุดอันนั้นะคือความถูกต้องนะเราอยู่ในสถานะนไหนให้ทาดีที่สุดอย่าให้ขาดตุกปกป้องเมื่อเป็นพ่อเป็นแม่ทำตัวอย่างเป็นตัวอย่างให้ลูกหลานเขาดูนะ เ, นเมื่อเราเป็นลูกเราก็เคารพพ่อแม่รักพ่อแม่ปฏิบัติพ่อแม่ของเราพระท่านดีเลี้ยงดูเรามาให้ดีที่สุดและกการทำมาหาเลี้ยงชีพการทามาค้าขายก็เป็นผู้มันขยันอดทน สิ่งไหนที่มันไม่ดีเราอย่าทําอย่างปีกินเหล้าเมายาเสพคัญยาคัญชายาฝิ่นเฮโรอี น, น, นยาบง่งยาบ้าอย่างนี้พอกินเข้าไปแล้วมันขาดสติมันไม่ดีเราก็อย่าไปทําสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทําสรุปแล้วทําแต่สิ่งที่เป็นธรรมที่ถูกกฎหมายบ้านเมืองศีลธรรมจริยธรรมที่ดีนั่นแหละเราอยู่ที่ไหนมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข ด, ด้วยกันนะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิด มากหลากหลายว่านั้นแหตอนนี้ไปคณะสงฆ์อนุโมทนาให้พรนาตีน่ารับพร